จริงจังแต่อย่าเครียดบอกตัวเองว่าความเครียดเกร็งแน่นคือส่วนเกินของงานโลกนี้มีหลายเรื่องที่ต้องการความเอาใจใส่จริงจังแต่ไม่มีสักเรื่องเดียวที่ควรเครียดกับมันขอสังเกตง่ายๆว่าคุณเครียดเกินกว่าเหตุคืออยู่ดีๆอยู่ว่างๆเนื้อตัวก็เกร็งขึ้นมาเอง ซึ่งนั่นเป็นการทำงานอัตโนมัติของกล้ามเนื้อภายใต้การกดดันของจิตใจที่รบกับตัวเองอยู่มีความขัดแย้งกับตัวเองอยู่ระหว่างความขี้เกียจ ร, รับผิดชอบกับความอยากจะรับผิดชอบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจะทำงานที่ได้ดีให้ได้ราบรื่นและมีทัศนคติที่ถูกต้องว่างานเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ทาแล้วมีความสุขอันดับแรกที่ต้องทำให้ได้ คือเห็นให้ทันว่าเมื่อใดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเครียดเกรงขึ้นมาเองโดยไม่จาเป็นส่วนแรกที่สังเกตง่ายสุดคือฝ่าเท้าส่วนต่อมาคือฝ่ามือส่วนต่อมาคือหน้าผกากหากสามส่วนนี้เครียดเกรง็งแน่นให้บอกตัวเองว่านี่ส่วนเกินของงานงานไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้แล้วคลายออก เห็นให้ได้วันละสองสาครั้งเพียงเดือนเดียวคุณจะทำงานยังมีความสุขขึ้นไม่เห็นงานเป็นศัตรูอยู่ว่างๆไม่เกรยดเกร็งขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล